ข้อที่าสำนวนในภาษาศาสนาข้าพเจ้าเคยพูดมาหลายครั้งว่าการปลุกคนขึ้นกินข้าวง่ายกว่าการหุงข้าวต้มแกงให้คนตื่นแล้วกินเพราะอาจใช้เด็กสักคนหนึ่งปลุกคนหลับสักร้อยคนก็ได้แต่การประกอบอาหารให้คนตั้งร้อยกินไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่งานของเด็กๆ การปกคนในสังคมให้ตื่นตัวขึ้นเพื่อรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันเมื่อเปลี่ยนการปกครองใหม่ๆข้าพเจ้าจำได้ว่าทางราชการได้ถือเป็นงานอันสำคัญที่สุดคือการโฆษณาเรียกร้องให้คนอยากได้การปกครองแบบประชาธิปไตยต้องลงทุนกันมากทีเดียวแต่หลังจากนั้นมาอีกราว20ขสบกว่าปีรัฐบาลต้องประสบกับความยุ่งยากอย่างยิ่ง ในการทำให้ประชาชนผู้กระหายประชาธิปไตยค่มจิตของตนไว้บ้างอย่าถึงกับเดินขบวนบ่นว่าด่าทอกันมากนักเลยวงการเผยแพร่ศาสนาก็ตกอยู่ในชะตากรรมคล้ายคลึงกันเมื่อสองครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปใหม่ๆพวกนักเผยแพร่ศาสนาตลอดจนผู้สนใจในเรื่องนี้แทบจะร้องไห้ ที่ได้เห็นคนส่วนมากพากันเบื่อหน่ายคําสอนทางศาสนาไม่นําพาในเรื่องศิลธรรมจึงได้พร้อมใจกันส่งเสียงเรียกร้องอย่างเกลียวกล่าวให้คนกลับเข้าหาศาสนาครั้นมานบัดนี้คนทั้งหลายเริ่มกลับมาสนใจศึกษาทางศาสนากันมากขึ้นและมีความกระหายที่จะได้ศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางแต่ผลกลับปรากฏว่าวงการศาสนา ยังไม่พร้อมที่จะสนองความต้องการของผู้กระหายได้เพียงพอทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าการศึกษาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ได้ล้าหลังหรือบรรดาครูอาจารย์ทางศาสนาได้หย่อนสมรรถภาพในเรื่องนี้หาไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ได้เจาะจงจะหมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่าบรรดาหนังสือตำราหรือวิชาความรู้ทางศาสนาของเรา ยังไม่พอกับความต้องการของคนสมัยนี้ถ้าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความรู้ทางศาสนามา ก, ก่อนเลยมาขอคำแนะนำว่าเขาควรจะอ่านหนังสืออะไรจึงจะได้ความรู้ทางศาสนาไปตามลำดับจากง่ายไปหายากจากต้นไปหาปลายอย่างนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าควรจะแนะนำให้เขาอ่านหนังสืออะไร เพราะบทเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับประชาชนของเรายัางไม่มีจริงๆหนักเข้าบรรดาผู้กระหายธรรมะก็พากันบ่นพึมพำอยู่ทั่วไปคือบ่นว่าคำสอนทางศาสนาฟังยากอ่านยากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจภาวะการอย่างนี้ก็คงเหมือนกับคนไทยบางพวกหิวประชาธิปไตยนั่นเองแต่นี่ดีว่าเป็นการหิวธรรมะ คงไม่ถึงกับมีการเดินขบวนกรีดเลือดหรือเปิดไฮปาค์ ark, วิจารณ์กันอย่างเผ็ดร้อนเป็นแน่นอนเมื่อการเผยแพร่ศาสนาวิวัฒนาการมาถึงขั้นนี้แล้วข้าพเจ้าคิดว่ากระบวนการเผยแพร่ทุกหน่วยทั้งทางวัดและทางบ้านควรจะได้ตั้งปัญหาขึ้นใหม่อีกปัญหาหนึ่งว่าทำอย่างไรเราจึงจะสามารถสนองความต้องการแก่ท่านผู้กระหายธรรมะได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงทีปัญหาเก่าทำอย่างไรคนหลับจึงจะตื่นขึ้นกินข้าวปัญหาใหม่ทำอย่างไรเราจึงจะมีกับข้าวให้คนที่ตื่นแล้วกินปัญหาเก่าทำอย่างไรคนทั้งหลายจึงอยากจะศึกษาธรรมะปัญหาใหม่ทำอย่างไรเราจะอธิบายธรรมะให้คนที่อยากรู้เข้าใจง่ายๆ ปัญหานี้คงจะเป็นกันบ้านสำหรับผู้มีหน้าที่ทางศาสนาที่ลำบากไม่น้อยและน่าจะต้องใช้เวลาทั้งทั้งที่เราจะต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างจริงจังสำหรับท่านที่ใกล้จะศึกษาทางศาสนาข้า พ, พเจ้าอยากจะเรียนปลดเปลื้องความยุ่งยากทางใจสักเล็กน้อยฝ่ายเสนอกับฝ่ายสนองจะได้เข้าใจกันคือความลาบากทั้งสิ้นในการศึกษาธรรมะ รวมอยู่ปัญหาเดียวเท่านั้นคือเรื่องภาษาของศาสนาส่วนหลักวิชาของศาสนาข้าพเจ้าขอเรียนรับรองอย่างเต็มที่ว่าท่านสมัยทุกหมวดทุกตอนหากท่านแก้ปัญหาเรื่องภาษาตกไปอย่างเดียวก็จะไม่มีอะไรยากเกินไปความยากในภาษาศาสนานั้นมีอยู่สองลนะักษณะคื อ, อยากในเนื้อหาของภาษา กับยากในสำนวนของศาสนารวมที่ยากมีอยู่สองอย่างเท่านี้ที่ว่ายากในเนื้อหาของภาษานั้นเนื่องจากท่านโบราณอาจารย์ของเราได้บันทึกคำสอนของศาสนาด้วยภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ตายแล้วบางท่านอาจข้องใจในเรื่องการใช้ภาษาตายบันทึกศาสนาจึงขอเรียนว่าคำสอนของศาสนาแต่ละศาสนาเราถือว่าเป็นหลักถาวร คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสืบกันมาแต่พระศาสดายอย่างไรก็ต้องคงไว้อย่างนั้นอย่างเช่นในพระพุทธศาสนาหลากาักธรรมต่างๆก็คงเดิมไม่มีอริยสัจฉบับยกเลิกไม่มีอริยมรรคฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพอสอเท่านั้นเท่านี้ด้วยความจำเป็นที่จะต้องรักษาแบบอย่างนี้ทุกศาสนาจึงใช้ภาษาตายศาสนาพราหมณ์ฮินดู ใช้ภาษา Sanskrit. สันสกฤตศาสนาคริสต์ใช้ภาษาละตินศาสนาอิสลามใช้ภาษาอาหรับพุทธเราใช้ภาษาบาลียิ่งได้ภาษาที่ตายสนิทเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการดีในงานการชาวบ้านเราก็เหมือนกันบางอย่างเราก็นิยมของตายแต่เราลืมคิดไปเองอย่างเช่นการปลูกบ้านเรือน เราก็พากันใช้ไม้ตายพื้นไม้ตายฝ่าไม้ตายเสาไม้ตายจนกระทั่งรอดคือตรงคานใช้ไม้ตายทั้งนั้นบางคนกลัวมันจะตายไม่สนิทถึงกลับไปจ้างเขาอบให้ก็มีทาไมเราจึงนิยมใช้ไม้ตายก็เพราะไม้ตายมันอยู่ตัวมันไม่หดไม่งอ ถ้าใครจะลองปลูกบ้านโดยเอาตรงข้างหนึ่งไปพาดไว้กับต้นไม้เป็นดูบ้างคือเอาต้นไม้ทำเป็นเสาสักสองถึงสปีบ้านก็จะเสียทรงหมดเพราะต้นไม้เป็นมันงอกการสร้างรูปโครงสร้างของศาสนา ก, ก็เหมือนกันต้องอาศัยภาษาที่ตายสนิทที่สุดอย่างเช่นภาษาบาลีเดิมทีก็เป็นภาษาชาวบ้านของชามคต พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยภาษานี้แต่ครั้นต่อมาชามคตก็เลิกใช้แสดงว่าตายแล้วจึงเหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกคำสอนของพระศาสนาการศึกษาพระศาสนาโดยวิธีท่องจำภาษาบาลีไว้บ้างนั้นได้ผลอนิสงส์หลายสถานที่เดียวคือ 1. เป็นการหาความรู้ความเข้าใจสำหรับตนเอง ชนิดเข้าถึงต้นตำรับของศาสนา 2. เป็นการช่วยกันรักษาหลักวิชาทางศาสนาให้มีการสืบต่อกันไปในรูปที่สมบูรณ์แบบและ 3. เนื่องจากภาษาไทยของเราเอามาจากภาษาบาลีเกือบ 50% เซการศึกษาหลักธรรมของศาสนาโดยอิงภาษาบาลีนั้นจะทำให้เราเข้าใจอัธรรตของภาษาไทยได้ดียิ่งขึ้นด้วย สำนวนภาษาของชาวชมพูทวีปเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก่อความยุ่งยากแก่ผู้ศึกษาก่อนอื่นโปรดทราบว่าการเรียบเรียงหนังสือด้วยภาษาใดก็ตามผู้เรียบเรียงจะต้องใช้สำนวนของภาษานั้นและในยุคนั้นในการเรียบเรียงด้วยที่นี้คำที่เป็นสำนวนนั้นมีความหมายไม่ตรงกับตัวอักษรแต่คนทั้งหลายรู้กันยกตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยเรามีคำว่าสงครามใต้ดินหมายถึงว่ารบ ก, กันโดยวิธีไม่แสดงตัวคือรอบกระทาหาได้หมายความว่าทหารได้มุดลงไปรบกันใต้พื้นดินไหมคำพูดแบบนี้คืออีเดียมในภาษาอังกฤษนั่นเองกลั้นกันเวลาล่วงเลยไปนานเข้าคนที่รู้ความหมายของสำนวนล้มตายไป พวกที่เกิดมาทีหลังก็พากันงุนงงร้อยปีข้างหน้าอาจจะมีคนหลงเชื่อเอาเป็นจริงว่าพวกเรายุคนี้มีอิทธิฤทธิ์สามารถมุดลงไปตีกันถึงใต้ดินเหมือนพังพอหรือหนูก็เป็นได้แม้แต่คําว่าขอมดำดินเวลานี้ยังมีคนคิดไปในแง่ที่ว่าขอมคนนั้นได้มุดมาใต้ดินจริงๆในภาษาบาลี ก็มีสํานวนประเภทนี้อยู่เป็นอันมากยกตัวอย่างเช่นคําว่า 84,000 หรือคําว่าแสนโกรซึ่งเป็นคําที่มีความหมายเพียงว่ามากมายเท่านั้นม่ใช่จํานวนตายตัวที่จะต้องนับถ้าในคัมภีร์บอกว่าโจร500รก็ไม่ต้องไปสอบสวนว่ามีใครบ้างดาบท500พระ500เหล่านี้ก็เหมือนกัน คือคำว่าห้าร้อยเป็นสำนวนพูดบอกว่ามากเท่านั้นเองคนที่ไม่ทราบเรื่องราวของภาษาพอไปอ่านพระสูตรบางเรื่องเข้าก็นึกอยากจะโยนทิ้งเพราะรู้สึกว่าเต็มไปด้วยถ้อยคำเหลือเชื่ออย่างเช่นในมหาสูตรทัศนสูตรอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงมหาสมบัติของพระเจ้าสุทัศนะอดีตจา ก, กรพัดอินเดีย พระองค์พา น, นาว่ามีเมืองขึ้น 84,000 เมืองมีปราสาท 84,000 หลังมีเครื่องทรง 84,000 พันชุดมีช้าง 84,000 ่เชือกมีวัว 84,000 ตัวและอื่นๆมีแก้วแหวนและอื่นๆอย่างละ 84,000 ชิ้นมีนางสนม 84,000 คนมีอาหารมือละ 84,000 สพันสำรับ ถ้าเยาวชนทุกวันนี้เจอพระสูตรนี้เข้าเขาจะรู้สึกอย่างไรจ้างเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้จริงๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดมีเท่าๆกันหมดสิ้นปีพนักงานคลังก็ไม่ต้องทำงบดุลกันลำบากแล้วยอดคง 84,000 พันทุกทีไม่มีขึ้นมีลงนึกดูสิว่าพระเจ้าสุทัศนะจะมีความสุขได้อย่างไร เพียงแต่ทรงจำชื่อนางสนม 84,000 ืคนก็แย่แล้วยิ่งอาหารมือละ 84,000 สี่ำรับด้วยแล้วนึกวาดภาพดูก็แล้วกันโต๊ะเสวยของพระเจ้าสุทัศนะอย่างเล็กๆ ก, ก็เห็นจะเท่าท้องสนามหลวงในกรุงเทพแล้วแขนของท่านก็จะต้องยาวตั้งเกือบ1กิโลเมตรจึงจะเสวยได้สะดวกแต่เรื่องทำนองนี้ถ้าเรารู้เสียนิดเดียวว่า คำว่า8 4ด0 0นพันั้นเป็นสํานวนภาษาแขกบอกว่ามากมายเท่านั้นเองเท่านี้ก็สิ้นเรื่องถึงจํานวนพระไตรปิฎกของเราที่ว่ามี8 4ด0 0พันพระธรรมขันธ์นั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่มีท่านผู้ใดนับได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องนับเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีสํานวนประเภทเปรียบเทียบอีกมากที่จะทําให้ผู้ศึกษางุนงง และบางทีถึงกับเหลือเชื่อเช่นว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระพุทธเจ้าทุกขนทุกแห่งมีทานน้ำร้อนน้ำเย็นมาสงสนานเมื่อประสูตรมีเทวดามาติดต่อและช่วยกิจการต่างๆเรื่องเหล่านี้แต่ละเรื่องเป็นสำนวนเปรียบเทียบจะต้องศึกษากันเป็นอย่างๆจึงจะเข้าใจได้เห็นความเพลิดเพลิงของพระศาสนา ทั้งในเชิงหลักวิชาการหลักภาษาและวรรณคดี21ธันวาคม2504